เป็นที่พึ่งหาได้ลุงงกงราเดือดร้อนเศร้าใจหาทางขจัดปัดภัยไม่ใใรีนี้ไกลเมื่อยามอับจนน้องพี่ร่วมกันใส่ใจฮานได้ช่วยถ้าไม่เกิดผลแม่พ่อช่นใจรู้ ชัในใจลูกตนเมื่อลูกทุกคนช่วยเหลือการนาดเมื่อลูก